ยุ่งจนไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมคำบังคำถ้าจำไว้ผิดก็ทำให้เข้าใจผิดและคิดพลาดได้ตลอดชีวิตคำว่าปฏิบัติธรรมถ้าจำไว้ว่าคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิตอนหยุดงานลหลายๆวันเพื่อเปลิกวิเวกความจำนี้จะมีผลให้ได้ปฏิบัติธรรมเพียงไม่กี่ครั้งในชีวิต หรือแม้คนเคยปฏิบัติธรรมบ่อยๆนานปีต่อมาพอมีคนถามว่ายัางปฏิบัติธรรมอยู่หรือเปล่าก็อ่านได้คําตอบว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วเพราะยุ่งจนไม่มีเวลาแท้ที่จริงแล้วเวลาที่ดีที่สุดที่ควรเจริญสติคือเวลาที่รู้สึกว่ายุ่งจนไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมถ้าจําซิใหม่เป็นคําที่เข้าถึงง่าย ทำได้จริงทุกที่ทุกเวลาคือเจริญสติชีวิตนี้ก็มีสิทธิทาบุญขั้นสูงสุดได้บ่อยครั้งขึ้นบางคนอาจจะวันละสามมือบางคนอาจจะวันละยี่สิบสี่ครั้งบางคนอาจจะชั่วโมงละหกสิบหนเดิมทีพระพุทธเจ้าท่านตรัสคำว่าเจริญสติประธานสี่แต่เราเรียกสั้นๆเป็นภาษาพูดกันว่า เจริญสติซึ่งหมายถึงการทำบุญขั้นสูงสุดทำพุทธิปัญญาให้เกิดขึ้นเห็นตามจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนเมื่อละความเห็นผิดในกายใจได้ก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะกายใจได้เมื่อจำไว้ว่าแก่นการปฏิบัติธรรมคือการเจริญสติ และการเจริญสติคือการรู้ว่าลมหายใจในวินาทีนี้พาไปเห็นความปั่นปวนฟุ้งซ่านา ร, ระดับไหนคุณจะได้ประโยชน์จากความจำนี้ชั่วชีวิตเช่นพอคิดว่ายุ่งจนไม่มีเวลาขึ้นมาเมื่อใดคุณจะค่อยๆสั่งสมความเคยชินกับการฉุกใจถามตัวเองขึ้นมาว่านี่รายุ่งขนาดไหนกันพักหายใจให้คอสักครั้งสองครั้งได้ไหม แล้วลมนี้มันพาไปรู้ได้ไหมว่าฟุ้งหนักประมาณใดลมหายใจต่อมามันคลายลงหรือก่อพายุหนักขึ้นเห็นได้ไหมว่าฟุ้งน้อยลงเป็นสุขฟุ้งมากขึ้นเป็นทุกข์แค่เห็นตามจริงเท่าที่มันมีให้เห็นได้แค่นี้ก็นับว่าสติเจริญขึ้นแล้วจิตรู้เห็นความมีเที่ยงจริงๆแล้ว และมือจิตเห็นสิ่งใดไม่เที่ยงบ่อยๆสิ่งนั้นย่อมปรากฏต่อจิตว่าไม่ใช่ตัวตนเป็นเพียงเมฆหมอกหรือพยับแดดที่แปรไปในเวลาอันสั้นคุณจะรู้สึกถึงความคลายเนื้อคลายตัวใจสบายหายห่วงกับอะไรอะไรที่ไม่ใช่คุณรู้ชัดขึ้นเรื่อยๆว่าไม่มีตัวคุณในกายใจนี้ชีวิตที่เหลือคือความรู้สึกว่า กายใจนี้คืออุ่นโชว์ความจริงความจริงที่สุดคืออะไรอะไรไม่เที่ยงเมื่อเห็นอะไรอะไรไม่เที่ยงก็ไม่รู้สึกว่าเป็นตัวตนเมื่อเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนก็ไม่ยึดเมื่อไม่ยึดก็ไม่ทุกเมื่อไม่ทุกตอนนี้ก็ไม่ต้องกลับมาทุกตอนหน้าอีกนั่นแหละความสำเร็จในการเจริญสติ นั่นล่ะจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติธรรม